วันไหนคนพาวนาเก่งๆเยอะมันสว่างวันไหนคนภาวนาไม่เป็ดเยอะๆก็มืดหน่อยจิตมันมีแสงนะจิตจิตมันมีรัศมีเวลาพวกเทวดาพวกอะไรพวกนี้เขาเจอกันเนี่ยเขาแยกเกรดกันได้ตามระดับของลัศมีพวกเรารัศมีเยอะเยอะกว่าเทวดา เทวดาก็มีแสงนิดนิดหน่อยหน่อยเทวดาล่างๆนะมีแสงนิดหน่อยเราภาวนาแล้วมีแสงเยอะสังเกตดูเวลาใจมันตื่นรู้สึกไหมมันสว่างจะสว่างขึ้นมาน <S 1> <S 1> แล้วก็ค่อยฝึกของเราไปนะมันสว่ า, วางต่ไปสว่างทั้งกลางวันทั้งกลางคืนไม่มืดหรอกสว่างภาวนาแล้วก็มีความสุข คนภ า, า, า, า, าวนาไม่เป็นน่าสงสารคนเต็มโลกเลยภาวนาไม่เป็นหรอกไม่เคยรู้จักธรรมะเลยแต่เราก็ไม่ได้ภาวนาเอาแสงนะนแสงเป็นผลปล่อยได้เราภาวนาให้มีสติมีปัญญารู้สึกกายรู้สึกใจไว้มันมีแสงเองแหละเมื่อก่อนหลวงพา่อคอยดูเรื่องวันนี้แสงเราโตแค่ไหน มัน ก, ก็จะโตขึ้นเรื่อยๆนะยิ่งตัวนามยิ่งโตโตโตตัวสําคัญคือมีสติไว้พอมีสติจิตเป็นกุศลนะจิตกุศลจิตที่มันเป็นกุศลนะมันสว่างแล้วถ้าเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญานี่สว่างมากท่านถึงบอกว่าแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนะพระอริยะเจ้าทั้งหลายนี่แสงมาก Okay. ฟังสวดมนต์ของสวดโมกไปบกพระอริยะเจ้ามีปัญญาดีมีปัญญาดีคือท่านเข้าใจอริยสัจพวกเราภาวนาเนี่ยวันหนึ่งเราจะเข้าใจอริยสัจเรียกมีปัญญาดีตอนนี้ปัญญายังไม่ดียนะังไม่เห็นอริยสัจปัญญามันก็เป็นชั้นชั้นนะปัญญาเป็นขั้นขั้นไปสมาธิก็เป็นขั้นขั้นไป อย่างปุถุชนนะศีลนน้อยปุถุชนที่มีศีลนี่มีน้อยนะสมาธิก็ไม่ค่อยมีปัญญาก็ไม่มีพนระได้เป็นพระโสดาบันนะมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยดูขนาดพระโสดาบันยังบอกปัญญาเล็กน้อยเลยนะปัญญาเล็กน้อยของพระโสดาบันก็คือท่านเห็นความจริงว่าตัวเราไม่มี รองเรายังเห็นว่ามีตัวเราสึกไหมั้นพูดซื่อๆไม่มีปัญญานะพูดตรงๆก็ยังไม่มีปัญญาถ้าเป็นพระโสดาบันเนี่ยมีปัญญาเล็กน้อยคือเห็นความจริงแล้วตัวเราไม่มีพอนะได้พระสกทาคานะถ้ามีศีลบริบูรณ์มีสมาธิป่นกลางมีปัญญาเล็กน้อยสมาธิปันกลางหมายถึงอยอใจมันจะตั้งมั่นนะตั้งมั่นไม่แฉลบซ้ายแฉลบขวา ใจของพวกเรารู้สึกไม่ฉลับตลอดเวลารับรับรตลอดเวลาใจเราไม่มีคําว่าตั้งมัน่นทําสมาธินั่นก็ตั้งขึ้นมาได้ด้วยกันเพียงเอาไว้แต่ที่จะตั้งด้วยตัวเองมันไม่ตั้งมันฉลับตลอดเวลากระทั้งพระโสดาอย่างฉลปเลยพระสกทาคาเนี่ใจมีสมาธิปั่นกลางหมายถึงว่ามันตั้งมั่นอยู่ได้โดยที่ไม่ได้บังคับไม่ได้ประคองเนี่ย อย่างเวลาหลงไปนะั้นจะหลงสั้นไหลายแว บ, บไปก็รู้สึกละใจก็จะตั้งมั่นขึ้นมาไหลายแว บ, บก็รู้สึกละใจก็ตั้งมั่นขึ้นมามเวลาของความตั้งมั่นมันเยอะของเราเนึ่อออกไม่เวลาหลงเยอะเวลารู้ตัวเวลาตั้งมั่นมีนิดเดียวนึกออกไหมหลงทีหนะึ่งห้านาทีแล้วรู้สึกตัวทีหนแบบึ่งหนึ่งแวบใช่ไหมหลงไปสามนาะทีรู้สึกแวบหนะึ่งอันนี้พวกภาวนาเก่งแล้วนะ คนภาวนาไม่เป็นมันหลงทั้งวันเลยหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยไม่มีรู้สึกตัวสักแว บ, บเดียวเลยนะงั้นปุถุชนนะลำบากพระพุทธเจ้าถึงมาว่าคนส่วนใหญ่ตายแล้วไปอบยัยเขาไม่ค่อยมีสตินะนี่ถ้าเป็นพระโสดานะีศีลบริบูรณ์แล้สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยเป็นพระสกทาคาเขามีศีลบริบูรณ์มีสมาธิปานกลางมีปัญญาเล็กน้อย ปัญญาอย่างน้อยนะสักตาคาในขณะสกตาคาปัญญาน้อยพวกเราเลยจะขนาดไหน <c oughs> สรุปพวกเราย่าไม่ได้มีปัญญานะยังไม่ได้มีปัญญาถ้าได้พระนาคาท่านบอกว่ามีศีลบริบูรณ์มีสมาธิบริบูรณ์นะมีปัญญาปั่นกลางสมาธิของพระอนาคาบริบูรณ์นะเพราะว่าอะไรเพราะกามมันมายั่วไม่ได้แล้วท่านเห็นความจริงในกายนี้แจ่มแจ้งเลย กายนี้ทุกข์ล้วนๆเลยตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นตัวทุกข์ล้วนลเลยรูปเสียงกลิ่นรสผัวทพะก็เป็นตัวทุกข์นะไม่เห็นจะเป็นของดีของวิเศษเลยดัน้ใจท่านไม่ไหลไปนในกรรมคุณอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสผัวทพะใจของท่านตั้งมั่นถ้าใจมันไม่ไหลไปใจมันก็ตั้งมั่นอยู่โดยไม่ต้องประคองไม่ต้องรักษานี่ถือว่ามีสมาธิบริบูรณ์แลปัญญาของท่านปานกลางปัญญาปานกลางเป็นยังไง คือท่านเห็นความจริงแล้วว่ากายนี้มันทูกล้วนๆนะนี่ปัญญาปั่นกลางพวกเราเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆไหมไม่เห็นเนาะเราเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนะ แ, แถมยังกายนี้เป็นตัวเราใจนี้เป็นตัวเราเนะี่เบื้องต้นก็ไม่มีนะเบื้องกลางก็ไม่มีปัดตัวปัญญานี่ภาวนาหนะ้าสุดขีดเลยศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์ปัญญาบริบูรณ์ เต็มบริบูรณ์คือภูมิของพระอราหันต์พระอรหันต์มีปัญญาบริบูรณ์ได้ยังไงปัญญาบริบูรณ์ของท่านคือท่านเห็นว่าตัวจิตนี่แหละตัวทุกข์ท่านหมดความยึดถือจิตเมื่อไม่ยึดถือจิตก็จะไม่ยึดถือสิ่งใดอีกละเพราะสิ่งที่เรายึดถือเนียวแน่นที่สุดก็คือตัวจิตนั่นเองเพราะท่านเห็นจิตเป็นตัวทุกข์นั่นก็ปล่อยวางไม่ยึดถือมีปัญญาแก่รอบแล้วเห็น แจ่มแจ้งในขันห้าทั้งรูปทั้งนามทั้งกายทั้งใจนะว่าเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเนี่ยเรียกว่ารู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อรู้ทุกข์แจ่มแจ้งท่านละสมุทยัยอัตโนมัติความอยากจะให้กายให้ใจเป็นสุขความอยากให้กายให้ใจพ้นทุ ก, ก, กขกกนะไ์ไม่เกิดขึ้นอีกนั้นรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะก็ละสมุทยัยเป็นสมุดเฉดประหารเลยไม่เกิดขึ้นอีกแล้วสมุทัยละแล้วละเลยเนาะ เมื่อสมุทัยถูกละนิโรธคือนิพพานก็ปรากฏเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตาเพราะนิโรธคือความสิ้นตัณหานิพพานคือความสิ้นตัณหาสิ้นตัณหาได้เพราะรู้ถูกแจ่มแจ้งจะไม่เหมือนพวกเราณเวลาที่ตัณหาความอยากเกิดเนี่ยเราละตัณหาด้วยอะไรบ้างคนทั่วๆไปละด้วยการสนองความอยากอยากไปดูหนังก็ไปดูซะนะเดี๋ยวก็เบือ่อแล้วก็เลิอกอยากไป ไปกินข้าวกินของอร่อยไปกินอะไรๆที่แล้วก็เบื่อก็เลิกไปสนองตันหาเป็นวิธีละตันหาอย่างหนึ่งเหมือนกันสนองมันไปซะอีกพวกหนึ่งนะก็ข่มเอาไว้มีความอยากนะั้นอันนี้ไม่เอานะข่มใจเอาไว้ก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าได้แบบทรมานอีกพวกหนึ่งใช้มีสติลงไปเจริญวิปัสสนาใจมีความอยากขึ้นมารู้ทันปั๊บมันขาดไปเดี๋ยวมันอยากใหม่รู้อีกมันก็ขาดอีก ก็ก็ปลุกปลูกปล่โล่ลอยู่นั่นแหะไม่ขาดสมุทเฉดแต่ถ้ารู้ทุกแจมแจ้งนะตัณหาจะไม่เกิดอีกเนื่อว่ลาละสมุทัยแบบสมุทเฉดประหารคือไม่เกิดขึ้นอีกละใจก็จะเจอสภาวะธรรมแจมแจ้งคือสักแจ้งในนิโรธย่างในนิพพานนิพพานคือความสิ้นตัณหาจิตนี้ไม่มีความอยากไม่มีการดิ้นรนไม่มีความปรุงแต่งมีความสุขมีความสุขที่สุดเลย ตรที่าสามารถรู้ทุกจนลาสมุทรไทยแจ้งนิพพานแจ้งนิโรดนี้แหละเรียกว่ามรรค่านะงที่พวกเราบอกว่าจเจริญมรรคอยู่เพวกเรายังไม่ได้เกิดมรรคเลยนะคนที่เกิดมรรคก็ต้องเป็นพระอริยบุคคลนะพวกเรายังไม่เคยเจอมรรคที่แท้จริงนะส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ในห้องนี้ยังไม่ได้เจอมรรคที่แท้จริงมีส่วนน้อยที่เจอนะส่วนใหญ่ไม่เจอ ที่พวกเราทำอยู่ทุกวันนี้นะเรียกว่าเบื้องต้นแห่งมรรคยังไม่ใช่ตัวมรรคเบื้องต้นของมรรคหรือบุพาพภพกับมรรคมรรคในส่วนเบื้องต้นคือการที่หัดเจริญสติรู้กายรู้ใจไปอาศัยการหัดรู้กายรู้ใจเนี่ยก็จะค่อยๆเกิดศีลสมาธิปัญญาแก่รอบขึ้นเป็นลำดับลาดับไปสุดท้ายเนี่ยจะแจ้งเลยขันห้าทั้งหมดเป็นตัวทุกขันห้าตัวสุดท้ายนะที่ใจยอมรับว่าเป็นตัวทุกข์ก็คือตัวจิต พระนาคารยังเห็นว่จิตเป็นตัวสุขอยู่เพราะอะไรพระพระนาคามีสมาธิบริบูรณ์จิตตั้งมั่นเด่นดวงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นเองไม่ต้องรักษาด้วยกรเลยสุดโอ้ตรงนี้ดีจังเลยถ้าเมื่อไหร่ตรงนี้หายไปนะก็เป็นทุกข์ถ้ายังอยู่กับจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็มีความสุขนี่เรียกว่าปัญญาไม่แก่รอบยังเห็นว่าตัวจิตผู้รู้เป็นตัวสุขอยู่แต่จิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งถึงจะเป็นตัวทุกข์ ถ้าปัญญาระดับพระอรหันต์นะจะเห็นว่าขันท่าทั้งหมดเป็นตัวทุกขนะ์นี้เราจะทํำยังไงเราจะมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิบริบูรณ์มีปัญญาบริบูรณ์ขึ้นมาได้นะแตาต้องหัดเจริญสตินะถ้าเจริญสติถูกต้องศีลสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นมาสติที่จะทําให้ศีลสมาธิปัญญาเกิดเนี้ต้องเป็นสติปัฏฐานนะสติปัฏฐานความจริง ถ้าพูดตรงๆก็ศีลสติธรรมดาเนี่ยทําให้มีศีลได้สติธรรมดาทําให้มีสมาธิได้แต่ทาให้เกิดปัญญาไม่ได้ต้องสติปัฏฐานจึงจะทําทให้เกิดปัญญานะอย่างเรามีสตินะกิเลสเกิดขึ้นในใจเราคอยรู้ความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นเรารู้ทัน น, นะกิเลสขับําจิตไม่ได้นะศีลมันเกิดขึ้นเองยังไม่ทันจะเห็นความเป็นไตรลักษณ์เลย ยังไม่ได้เห็นว่าลบปลดลงเป็นไตรลักษณ์นะนะ แ, แค่รู้ทันมันมันดับไปเองละเพรามีสติเมื่อไหร่นะอกูสลจะดับทันทีเมื่ออากุศนดับไปนะอกุศนครอบงาจิตไม่ได้จิตก็ไม่ผิดศีลเห็นไหมแค่มีสติธรรมดานี้แหละะก็ไม่ผิดศีลได้อย่างมันเกลียดคนนี้มากเลยเห็นนะเกลียดมากเลยมันเกิดรู้ทันว่าเกลียดขึ้นมานะ ยังไม่ทันจะเห็นว่าความเกลียดก็เป็นไตรลักษณ์จิตที่ไปรู้ความเกลียดก็เป็นไตรลักษณ์ไม่เห็นนะแค่มีสติขึ้นมาความเกลียดก็ดับไปครอบงำจิตไม่ได้ก็ไม่ฆ่าเขาไม่ตีเขาไม่ด่าเขาอะไรเงี้ยศีลมันก็มีขึ้นมาไปเห็นของคนอื่นสวยๆงามๆใจมันอยากได้เกิดรู้ทันว่าอยากได้นะยังไม่ทันมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์เลยว่าความอยากก็เป็นไตรลักษณ์จิตที่รู้จิตที่มีความอยากขึ้นมาก็เป็นไตรลักษณ์อะไรสิ่งที่เราไปอยากเข้าก็เป็นไตรลักษณ์ ยังไม่เห็นหรอกนะแค่มีสติขึ้นมานะเห็นใจมันอยากความอยากก็ดับไปแล้วทาไมมันดับได้เองเพราะมีเมื่อไหร่มีสตินะไม่นั้นจิตเป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลจะไม่เกิดร่วมกับอกุศลอกุศลต้องดับไปเองไม่ต้องทําอะไรมันดับของมันเองอนะตรงนี้ยังไม่ถึงขัน้นวิปัสสนานะขัน้นเรามีสติรู้ทันมันก็ดับไป เลือนจิตใจของเราแสบสายวิ่งซ้ายวิ่งขวาตลอดเวลาวิ่งร่อนเร่ไปเร่เรามีสติรู้ทันนะใจก็ตั้งมั่นขึ้นมาหรือไปกําหนดมีสติไปจับอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขเวลามีจิตไปจับมีสติไปจับอยู่ในอารมณ์มันเดียวที่มีความสุขจิตมันจะสงบจิตของเราปกตินะร่อนเร่ตลอดเวลาหนีไปหนีมาหนีไปหนีมาเรื่อยทําไมมันหนีได้อะมันถูก อารมณ์มายุ่อมันยุ่อนะั้นมัเที่ยวหาความสุขทเที่ยวนี้ความทุกข์ไปเรื่อยเรารู้ทันรู้ทันแนละใจมันจะตั้งนะยังไงเพราะฉะั้นถ้าเราเห็นใจที่วิ่งไปวิ่งมานะรู้เฉยเฉยนะใจก็จะตั้งเพราะคนที่รู้เนี่ยไม่ได้วิ่งคนที่วิ่งไม่ได้รู้เนะฉะนั้นจิตดวง mm hmm. ที่วิ่งนะมันวิ่งไปแล้วจิตดวงหนึ่งเป็นคนรู้เราก็ย mm hmm. แยกออกมานะตัวที่วิ่ง mm hmm. ก็ดับไปเกิดตัวที่ตั้งมัน่นไม่มีสตินะใจก็ตั้งมัน่นใจก็สงบได้เอง ยังไม่ได้ขึ้นมีปรั ส, สนาเลยแต่ถ้าจะมีสติที่จะใช้ทํามีปรั ส, สนาเดินปัญญาเนี่ยเจริญปัญญาต้องเป็นสติปัฏฐานสติอื่นๆใช้ไม่ได้นะมีคนหนึ่งมาเขียนจดหมายมาเล่าให้หลวงพ่อฟังเขียนไม่ยาวมากเลยเขียนยาวมากไม่เคยเจอใครเขียนจดหมายยาวเท่านี้พอกับหนังสือเล่มหนึ่งเล็กๆนะอ่านซะเหนื่อยเลยก็เป็นเรื่อง คอยรู้ทันนะแล้วก็คอยคิดพิจารณาอย่างเห็นร่างกายก็พิจารณาเป็นปฏิคูณเป็นนาสุภาษะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยังคิดอยู่ยังเจอด้วยกันคิดนะับใดที่ยังคือเจอด้วยกันคิดจะไม่ขึ้นวมปัสนะนะไม่ขึ้นมปัสนาต้องทำสติปัฏฐานให้เป็นนะคอยรู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ถึงความมีอยู่ของใจ แล้วก็รู้ความเป็นจริงของกายของใจตามดูมันไปอย่างที่มันเป็นนี่คือการเจริญสติปัฏฐานนะเบื้องต้นนะคอยรู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจอย่าไปเพ่งใส่มันแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของกายของใจรู้สึกไปเรื่อยนะพอเรารู้สึกบ่อยๆรู้สึกไปเรื่อยทีแรกเรารู้สึกจะรู้สึกเป็นจุดๆแต่ตรงที่เรารู้สึกทีละจุดทีละจุดทีละขณะขณะเนี่ยพอมากๆเข้านะ มันจะเริ่มเห็นแล้วขนาดนี้กันอกอันหนึ่งเนี้ยมันเริ่มไม่เหมือนกันมันจะเริ่มเห็นสภาวะเนี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยอย่างร่างกายนะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะมันก็เปลี่ยนหายใจออกหายใจเข้าเนียมันเปลี่ยนนะจิตก็เหมือนกันจิตนก็ขยับปั๊บปั๊ป๊มันเปลี่ยนไปเรื่อยอย่างความโกรธเกิดขึ้นเห็นพุ่งขึ้นมาปุ๊บ๊๊๊ถึงหน้าแล้ว เรียกว่าเลือดขึ้นหน้าในโกรธแรงนะพอไปเห็นมันเดี๋ยวมันก็ลงทปุ๊บๆเดี๋ยวก็ขึ้นอีกเขคิดอีกขึ้นอีกพอไปรู้มันมันก็ลงนะเราเห็น ه, มันเปลี่ยนแปลงฮมันขึ้นขึ้นลงลงได้เองฮะการที่เห็นมันเปลี่ยนแปลงเรเห็นอ น, นิจจังนะเห็นเลยมันไม่ทนอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะเรียกว่าทุกขังทนอยู่ไม่ได้เห็นเลยมันเป็นของมันเอง ถ้าเราคิดขึ้นมานะโทสะก็เกิดออพอไปรู้ทันไม่ได้คิดนะแต่ว่ารู้ทันโทสะก็ดับนี่พอมีสติโทสะก็ดับพอมีมีพยาบา ท, ที่ตกโทสะก็เกิดเห็นไหมมันเป็นเองมันไม่ใช่เราเนี่เราเดินปัญญาแต่ไม่ใช่คิดนะที่พูดให้ฟังเนี่ยไปรู้เอาไป ร, รู้ทีแรกเรารู้เป็นจุดๆอย่างเงี้ยแต่รู้บ่อยๆเราจะเห็นมันเปลี่ยนนะไม่ใช่ดูไม่ให้คลาดสายตานะบางคนเข้าใจผิด ชิดว่าเราต้องจ้องไม่ให้คลาดสายตาเห็นตูพัทเนี่ยจ้องจ้องอย่างนี้ไม่ใช่หรอกนะเวลาที่สติระลึกจะรู้ระลึกตรงนี้ได้แวบหนึ่งแล้วมันดับไปมันมาลึกตรงนี้อีกแวบหนึ่งแล้วมันดับลึกนี้แวบหนึ่งมันดับมันจะเห็นนรูปแต่ละรูปมันเกิดดับได้นะนํามาทำแต่ระานก็เกิดดับวับวับวับวับไปอย่างนี้เรียกว่าเราจเจริญปัญญามีปัญญาเห็นอะไรเห็นไตรลักษณ์ทำสติปัฏฐาน มีสติรู้กายมีสติรู้ใจใจตั้งมั่นเป็นคนดูเลยจะเห็นเลยทั้งกายทั้งใจเราเห็นปัจจุบันนะเป็นขณะขณะไปเพอเห็นหลายๆอันต่อๆกันไปเรื่อยนะตามรู้เนืองๆท่านถึงบอกให้รู้เนืองๆไม่ใช่รู้ครั้งเดียวถ้ารู้ครั้งเดียวไม่พอนะต้องรู้เนืองๆรู้เนืองๆไม่ใช่วันนี้โกรธแล้วรู้พรุ่งนี้โกรธรู้อีกไม่ใช่ะแต่ความโกรธปุดขึ้นมาก็รู้ไปรู้ไ ป, ไปเห็นมันดับไปนะ เดี๋ยวตัวอื่นเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้เห็นมันดับไปนี่รู้หนึ่งหนึ่งแต่ไม่ได้จ้องถ้าจ้องนี่รู้แบบไม่ให้คลาดสายตานะผิดนะอเดี๋ยวหลวงพ่อตรวจกันบ้านธรรมะมันขาดสะบัน้นจะไปว่าเขานะเขาไม่เข้าใจอนะ่าไปโหลดกันใหม่ๆบางทีพวกเราก็ทําพลาดได้หนะลวงพ่อไปเจอครั้งแรกนะเจออาจารย์มหาบัว ตอนนั้นอยู่ในงานศพหลวงปู่ดุลเจนมหาบัวไปงานศพหลวงปู่ดุลพอถึงเวลาหนึ่งทุ่มตรงท่านก็ขึ้นไปเทศคนเยอะเลยนะนยะมีข้างล่างก็เจียวจ้าวไปหมดเลยพระก็ประ ก, กาศไมโครโฟนหลวงตาจะเทศแล้วอย่อย ง, งี้หลวงตาจะเทศเดี๋ยวนี้ยังพูดมากอีกเ <c oughs> งียบเงียบให้เงียบเงียบเอาพอเงีย บ, ยบไปหมดแล้วโดนท่านวักแล้ววัดเงียบเลยนะ ท่านก็เริ่มเทศก่อนจะเทศท่านก็นิ่งนิ่งนิดหนึ่ ง, งแล้วก็ดูท่านนิ่งนงทําสมาธิพอท่านเริ่มเทศนะสองสามคำนะโอ้ช่างภาพทักยี่สิบคนได้ลุกขึ้นปับป๊บปับป๊บป๊นะท่านก็หยุดช่างภาพก็ภูมิใจถ่ายใหญ่โอ้หลวงตาหยุดเทศเพื่อให้เราถ่ายรูป <c oughs> <c oughs> อา้าวแล้วถ่ายรูปพอสมควร อ, อ้าวพอพอพอนั่งท่านเริ่มเทศให <c oughs> ม่ ครั้งที่สองขุดละเรื่องกับเรื่องแรกแล้วหลวงตาไม่เทศเรื่องเดิมหลวงตาเปลี่ยนเรื่องไปแล้วพอ <c oughs> ท่านเทศสองสามคำนะช่างภาพเอาอีกแล้วลุกขึ้นถ่ายอีกแล้วพอครั <c oughs> ้งที่สามนี่นะโดนวักเลยมันจะโลภมากไปถึงไหนธรรมะของเราดับไปสามกันแล้วะ <c oughs> <c oughs> ไม่ให้ถ่ายนะนั่งเฉยๆนั่งฟังใจอย่าวอกแวกแตอนนั้นไม่เข้าใจนะว่าทําไมเอ๊ ทำไมท่านเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆคือครูบาอาจารย์<ม>กรรมฐานเนี่ยท่านสอนธรรมะนะธรรมะมันถ่ายทอดขึ้นมาถ่ายทอดขึ้นจากจิตอย่างถ้าคนฟังเนี่ยจิตประณีตเนะยธรรมะที่ออกมาจะประณีตคนฟังที่จิตหยาบเนะีธรรมะที่ออกมาวนนั้นก็จะห ย, ยาบๆยาบคนฟังไม่สนใจธรรมะนะธรรมะจะไม่ออกมาถ้าฝืนแสดงนี่นะคนแสดงจะเหนื่อยสุดใจขัดดิ้นเลย จะฝืนพวกวิทยากรเครู้สึกไหมสอนไอ้คนนี้มันหัวดื้อ ม, มันต่อต้านมากเลยนะสอนแล้วเหนื่อยนะบางคนเขาอยากเรียน<ม>อยากรู้จริงๆใจอ่อนต่อธรรมะนี่นธรรมะไหลออกมาเองไม่เหนื่อยนี่ธรรมะนะมันแสดงออกมาเองธรรมะออกมาจากใจนะงั้นหลวงพ่อถึงบอกว่าเอออย่าไปถ่ายรูปนะกล้องเครื<ม>่องอะไรวีดีโอวีดีโออะไรไม่นะถ้าจะตั้งวีดีโอไปตั้งที่อื่นนะ เทศที่อื่นเทศที่นี่เราเทศเข้มขน้นเทศข้างนอกเราเทศเบาบางหน่อยอยากตั้งกล้องอะไรก็ตั้งแต่ห้ามลากกล้องไปลากกล้องมานะให้ตั้งอยู่กับที่นะเสียหายมีคนมานิมนต์ให้ไปออกโทรทัศนะ์จะมีรายการโทรทัศนะ์นะจะให้หลวงพ่อเทศสามสิบชั่วโมงนะนิมนต์ไปจะได้อามาตัดเป็นตอนตอนบ้าสิใครจะไปเทศสามสิบชั่วโมง ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไปเทศในวันดาวพฤหุงเนะเทศสามเดือนเนอะนะเราก็ตายปีเลยเทศสามสิบชั่วโมงคงจะให้เทศวันหนึ่งสักหกเจ็ดชั่วโมงอะไรเงี้ยะเทศให้ใครฟังเทศให้กล้องฟังเทศให้กล้องฟังเราต้องเทศเรื่องอะไรเรื่องไม่คิดไม่เลิกไม่ปรุงไม่แตกนะไม่รู้สึกไม่รับรู้นะเออ ให้เราเทศให้กล้องฟังธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนั้นสิ <c oughs> ใช่ไหมรวมความก็คือไม่เอาหรอกบอกไม่เอาถ้าอยากจะอา่อานนะั่งก็เป็นเราไปเทศที่ไหนก็เป็นดักเอาเองก็แล้วกันนะเขาบอกอยากได้ทั้งแต่ต้นเลยนะทั้งแต่เบื้องต้นเลยสามสิบชั่วโมงแหมจัดคล้ายๆเทศเป็นลําดับลําดับจบหลักสูตรเลยสามสิบชั่วโมงนอกเทศไม่เป็นหรอกเทศอย่างนั้นเทศไม่เปนน็นเทศให้กล้องฟังเป็นไม่เป็น งั้นธรรมะนะมันจะออกมาจากใจนะพวกเซนะเขาเคยพูดเรื่องจิตสู่จิตธรรมะก็ถ่ายทอดจากใจไปสู่ใจสังเกตไหมพวกเราฟังเราฟังหลวงพ่อพูดฟังรู้เรื่องใช่ไหมแต่พอสะดุดปับแล้วถามว่าพูดเรื่องอะไรงงทุกคนเลยรู้สึกไหมเพราะเราไม่ได้ฟังด้วยสมองถ้าฟังแล้วจดไปเรื่อยนะฟังจะนี่ฟังด้วยสมองนะตอบได้ตลอดเลยว่าพูดเรื่องอะไรเรื่องอะไรแต่พวกเราฟังไม่รู้เรื่องหรอก แต่ใจเรารู้เรื่องใจเราจะรับธรรมะไปเรื่อยๆนะแต่ว่าสมองไม่รู้เรื่องังนั้นใจรับธรรมะเนี่ยวันหนึ่งจะได้ธรรมะธรรมะเข้าสู่ใจถ้าธรรมะเข้าสู่สมองแล้วก็เข้าไปปุ๊บเดี๋ยวมันก็หลุดออกไปเพราะมันมีรูเยอะเข้า <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่ออกนี่ <c oughs> ถ้าเข้าสู่ใจแนละ้วไม่มีทางออกแ้วเก็บสะสมไปอามีเวลาเล็กน้อยใครอยู่วัดเชิญ <c oughs> ครับนมัสการหลวงพ่อครับผมเป็นคนชอบคิดนะฮะก็เลยน่าสงสารนะถ้าชอบคิดน่าสงสารนะฮะว่าไงปกติอยากจะเดิมอยากจะนั่งสมาธิแต่ทำไม่ได้ก็เลยเลือกปฏิบัติที่จะดูความเผลอแล้วก็รู้สึกตัวมาโดยอาศัยกายเป็นวิหารธรรมครับมีราบัถูก่ไ้ถูกถูกจริตอยู่แล้วแะพวกช่างคิดก็ต้องดูจิตเอา พวกเช่องคิดไปดูกายไม่ได้หรอกนะเพาะใจไม่ตั้งมั่นไม่มีสมาธิพอจะดูกายจะดูเวทนาจิตต้องมีสมาธิพอจิตของคุณดีขึ้นคุณรู้สึกไหมมันโปร่งโล่งเบาขึ้นเราอย่าไปบาดภาพเอาเองนะว่าก่อนจะปฏิบัติต้องทําสมาธิ mm hmm. การปฏิบัตินั้นมีทั้งหลายแนวทางพวกหนึ่งใช้สมาธินําปัญญา ทำความสงบเข้ามาแล้วไปพิจารณากายไปรู้กายรู้เวทนาพวกหนึ่งใช้ปัญญานําสมาธิคือดูเข้าไปเลยดูจิตเข้าไปเลยนะพวกหนึ่งใช้สมาธิและปัญญาควบกันอันนี้สําหรับคนที่ชํานาญทําสมาธิอยู่นะแล้วก็ไปดูความเกิดดับอยู่ภายในเห็นองค์ฌานทั้งหลายเกิดดับเกิดดับอยู่ข้างในอันนั้นถ้าเราทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนั่นเป็มีทั้งหลายแนวทาง เราใช้ปัญญานำสมาธิได้เราเพื่อมีสติรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลยรู้สึกไหมจิตก็สงบขึ้นเห็นไหมแต่ไปนั่งสมาธิจะให้จิตสงบ ม, มันไม่ยอมสงบหรอกแต่เรามีปัญญานำคือเราไม่ใช่คิดนำนะปัญญานำกับคิดนำนี่คนละเรื่องกันเลยนะคิดนำใช้ไม่ได้นะปัญญานำหมายถึงมีสติดูของจริงเลยดูของจริงในใจเราที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดับไปเรื่อยดูไปเรื่อยนะใจจะสงบเองใจจะตั้งมั่นสมาธิเกิดขึ้นเอง นะที่ฝึก อ, อยู่ใช้ได้นะใจก็สงบใจก็ตั้งมั่นเพียง<ม>แต่ตอนนี้ประคองไว้นิดหน่อยนะมีอีกไหมใครอยู่วัดวันนี้มีคนเดียวหรือเก้าส่งกันบ้านไหมไม่ไปครับหลวงพ่อเห็นจิตมันไหลไปคิดได้เร็วขึ้นมั่งครับดีสิเห็นไหมไหลทั้งวันครับแปบบ๊บแรับ ปูทุชนใช่ไจิตไม่มีสมาธิไม่ตั้งมัน่นไหลแวแบๆบแบบแล้วพอกิเลสหลอกแล้วก็ผิดศีลง่ายไงนี่เรามีสตินะเราคอยรู้ใจไหลแวบบๆคอยรู้ไปเรื่อยๆสติมันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเน้ารู้สึกไหมรู้สึกไหมแล้วใจมันมีแรงมากขึ้นมีกําลังสมาธิมันก็ดีขึ้นใจมันก็มีแรงมากขึ้นดีแล้วไปฝึกต่อนะมีใครอีกที่อยู่วัดวันนี้มีไหมไม่มี อ๋อพี่วัยอคือนึกว่าจะไม่ส่งกันบ้านก็ช่วงนี้เห็นกิเลสไหลมาไหลไปเหมือนเห ม, นน ม, อมือนน้ําไหลมาไหลไปก็อยู่บนบกไหมหรืออยู่ในน้ําอยู่บนบกต้องอยู่บนบกนะเราอยู่บนบกนะเห็นกิเลสไหลมาไหลไปมันเห็นน้ําไหลก็เราอยู่บนบกอยู่บนบกคือใจเราเป็นคนดูดูอยู่ห่างๆะลงไปคิดนะหลงไปลนะ้ว ก็ดีนะพี่วัยแต่ใจยังฟุ้งสั้นอยู่คือความฟุ้งสั้นยังครอบงําจิตอยู่ตอนเนี้ยรู้สึกไหมฟุ้งมันฟุ้งเล็กเล็กเลเออ<ๆ>นะแล้วจิตนะ่ะเคล้าอยู่กับความฟุ้งให้รู้ทันอีกทีจนกระทัางมันขาดออกเหมือนกันแต่ว่าขาดเองไม่ได้ดึงไว้นะไม่ได้ดึงให้ขาดเชิญโยมไปทานข้าวไปนี่มนเลยครับนีมน